ต่าท ง, ทะะงทำมาทุกคนทุกคนเคยได้กระดาษรักตังกันมาโดยส่วนใหญ่พวกเราที่มาไปจุ่มกันในวันนี้ต่างท่านต่างคนก็ต่างมุ่งมาปฏิบัตมิมาใส่มาศึกษาถ้าบ้านศึกษาตำรับตำราหรือสะดาษรับตังก็เรีกออยกว่วาการศึกษา ต่างๆๆคนต่างคนเคยศึกษาเคยกระาษฟังมาดันั้นด้านศึกษาของเราเคยถานมาพอสควร ค, ความดีที่เปิดจะเกิดขึ้นจากการศึกษาการจำสำหรับกำลังเด็กสัญยาของเราแ ล, แล้วเราทุกท่าน คงจะถึงมรรคยุทธานกันเพราะต่างผ่านต่างคน hey, เคยจดจำด้าของบ่านยิทธานหรือมีมดต่จิตของพวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นท้องจิตจำได้แน่นยำจิตของเรากว่ายังมีที่เหลือปัญหามาณพิจิตรอยู่ ไม่เป็นไปตามคําจำที่เราจำมาเพราะนั้นเราจึงจำเป็นในตามปฏิบัติปฏิบัติกายใจของเราที่มันติดข้างที่มันขุนมัวที่มันเต่าหมองการจัดตัดเต่าที่เหลืออาสวะที่ มีอยู่ในใจในวาจาในใจของเราในศพอกปิดถึงเราจะจำาด้หรือไม่ได้เย่างตำหลักตำลาง้างแหบกามเห็นความเป็นเกิดขึ้ น, นในตัวของตัวหลือเปลเป็นของส่มีคุณค่าสาแมทีจังย่างตัวของตัวให้แดัรบรความสงบความเยือกเย็นคว า, ามอัศจรรย์ กาปรปฏิบัติยิ่งเป็นของต้อคันยื่นสั่การสะดับรับสั่งแต่การสะดับรับสั่งนั้นก็เป็นของต้อคันคือการสะดับรับสั่งเป็นแขนที่แต่กาปรปฏิบัติเป็นผู้เดินตามแขนที่แขนที่ยังบอกจุดนั้นจุดนั้นแต่เราจังไม่เดินไปกันก็ไม่ต่างครับ แผนที่เป็นอย่างหนึง่งเมื่อไปถึงจริงจังแผนที่กับความเห็นไปจากภาพเจนในตาของเราปิดกั ง, งฉะนั้นการต่อไปปฏิบัติก็คือลงมือทำจิงจังเป็นด้านการปฏิบัติส่วนตัวดีชั่วจิตถูกยาบละเอียดจิตใจที่ฝึกผลอกรม การปฏิบัติจะรู้เห็นเป็นขึ้นจากตัวของเราเองสำหรับตำลาเราเคยเป็นที่เหลือปัญหาไม่เคยจะไปสวอนนิพพานที่เหลือกันแหเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นจากตายจากใจของพวกเราเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติจึงควรนิยมที่จะในเรื่องนกะายใจขับไล่สิ่งที่ เราใจกำหนับยินดีนุ่มหลงต่างๆให้หมดใจการที่เจรณาภาพขันที่พวกเราเคยยึดมั่นสำคัญไหมว่าหญิงว่าทายว่าจับว่าบุคคลว่าเขาว่าเราต่างๆเราต้องเอาใจยังเขากับเรื่อที่เจรณาหนึ่งจัง ย่าง เ, เห็นตามความจิงของมันภา พ, พุขันธ์อายตนะผู้ที่เคยศึกษายังบอกแต่ว่าข้อกกคงเข้าใจแต่ผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาภาพที่อะไรธาพุทม่ผสมกันเข้าถึงสมมดขึ้นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นตับเป็นบุคคลโดยเ่วนใหญ่ที่เรา คือกันสมมติกันก็คือธาตทั้งสี่ในแต่ธาตุดินส่วนที่คนแข็งสมมติว่าเป็นธาตุดินส่วนที่เหลวสี่เอตาสมมติเป็นธาตุน้ำส่วนที่อบุญสมมติเป็นธาตุไฟส่วนที่พัไปพัดมาพัดขึ้นพัดลงเหยียดผานลม ธาทั้งสี่นี้มีอยู่ในตัวของพวกเรานอกจากนั้นก็อาศาัยที่ข้าวหรือยินยันนะข้าวทำรู้ต่างๆถ้าเหานี้ถ้าหากที่เจ้าฟันจริงจังแล้วเขาไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นตัดไม่เป็นบุคคลถ้าเราแยกออกด้วยสติสัญญาของเราจริงจังว่าอะไรเป็นคนผมหรือเป็นคน ผมมันก็ลัวว่ามันเป็นคนขนหรือเป็นคนขอเรียกว่าขนที่เป็นแต่เรื่องสมมติแต่เท้าเองผู้ที่ถูกสมมดิเขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกทิ้งเหล่านี้เป็นของผสมกันขึ้นมีขึ้นเมื่อมันมีแต่การเกิดขึ้นความระเบปวน ตามาัทธาของขันนั่นจะตจงมีแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดของมันเมื่อเราสะาดและพิดใจมาใส่จิตเห็นจิตข้าใจอย่างนั้นความจาคันหมันหมายรายหญิงรายายรายสวยรายงามต่างๆมันจะหมดไปตกไปเพราะจิต ด, ดวงเดียวเท่านั้นไปหลุ่มหลงไปยึดมั่นจาคันหมาย ทางแรกมันเห็นมันเป็นขึ้นยิ่งจังในจิตในใจมันปล่อยมันวางไม่ยึดไม่ถือยิ่งเมสึเกิดขึ้นจากจิตแล้วก็เกิดขึ้นจากที่อีกส่วนใจนั้นเป็นอันหนึ่งจึงเป็นเรื่องของจิตมาอาศัยแล้วก็ถือเอาว่าเขาว่าเราว่าจักว่าบุคคลเมื่อจิต เป็นผู้หลุมหลงจิตเป็นหัวแน่เหมือกนกันกับหัวรถไฟจายเหมือนตู้รถไฟจิต้าชิดตรงไปในส่วนดีตายก่อนมากจากจะทำดีไปต่างยิตวอกวนไปทางชั่วตายก่อจะต้องถูกไปตามจิดคือ ท, ทำชั่วพูดชั่วไปต่างเพราะนั้นตัวสำคัญ ในพวกเราก็คือจิตจิตเป็นของสำคัญและเป็นของฝุดด้างไม่นเหนือวแสัยสํำหรับผู้ที่จะที่นี้ที่จะเอาธรรมะสรึกหับบัดซ้อมจริงจิตจะต้องยอมจำนนจิตจะต้องละถอนถึงที่ยึดถที่ต่างๆในอย่างนั้นทุกท่านที่เกิดมามีที่เหลือปัญหามานาทพิสูจเหมือนกันถ้าไ เมืีส่วนนี้ความเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ก็เกิดขึ้นในดะพอหมดเชื้อหมดที่เหลือปัญหาหมดอวิชาอุปาทานคนที่เกิดจึงมีเชื้อเรื่องของที่เหลือปัญหามาณนะทุกิศอวิชาอุปาทานเหมือนกันทั้งนั้นแต่เมื่อเกิดมาแล้วผู้ที่มีความรู้ความฉลาด เอาอัดเอาทำเอาไปฝึกซ้อมจิตใจเป็นจิตใจของใสจิตใจละถอนส่วนเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นมีมดนย์ยุติธรรมโดยดั่งมีพวกเราท่านทั้งหลายก็มีกามีจิตมีธาตมีขันเหมือนกันกันกบพระพุธเจ้าหีืสาวกแต่เหตุดใดโดยเราพวกเราถึงเคยลุ่มหลงหรือถอดถอนโดยดั่งก็พระเหตุว่า การคิดอ่านการถอดถอนด้านอุปาทานด่านพิจิตมาเนีด้านอริชาตัญหาเราไม่เด็กครเด็คิดที่นี้ทีจะรียนมาหาแต่เรื่องเพิ่มเติมให้จิตใจวุ่นวายก่อควรตัวเองเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องจิตจึงไม่มีเวลาที่จะรู้เห็นแย่งไปจัดละถอน ความขั่วต่างๆออกจากตัวมีแต่มัวเมาลุ่มหลงแคดแทนติดข้องขนที่สุดก้นหนักหน่วงตัวเองทับถมตัวเองเหนือดร้อนตัวเองแผลดเขาตัวเองฉะนั้นพวกเราท่านที่เคยได้สดับรับฟังคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงเอาจะติเอาปัญญาเอาวิชาที่พระพุทธเจ้า ใครแม่สอนแมวาจำจัดเรื่องที่เหลือปัญหามาแนวพิษผิแมวสอนจิตของตอนใส่รู้ใส่เห็นใส่เดินขึ้นจากความัวเมาเข้าฝันจากความเศร้าหมองของจิตใส่เป็นจิตที่เยียดเยินใส่เป็นจิตที่ผ่องใสใส่เป็นจิตที่ดีเดินขึ้น จาออกการฝึกการอบรมของต น, ต น, งตนออการฝึกการอบรมก็ไม่มีที่อื่นที่นิดที่แกเนเรื่องของกายของใจนี่แหละเพราะคนเราทั่วไปไดยมากมากอยากถือเรื่องของกายว่าเป็นของสำคัญกว่าใจเดี๋ยนั้นการปฏิบัติกายจึงเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างไป ด่ามอยู่ที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต่างๆ ต, ตลอด อ, อ, อ, อ, อาหมอาหารการอยู่กินหามาให้สำหรับกายได้พักได้อาศัยได้กินได้ดื่มสนุกสบายได้คิตเองอได้คอยแต่หามาถึงเป็นอาหารของจิตที่ดีดที่สุดสำหรับธรรมะได้คอยได้หามาให้จิตจึงไขว้อยเหงา ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ทีนี้ทุจรณาอะไรเล่าเป็นอาหารข้องผิดก็คือธรรมะถ้าหามีธรรมะมีะติทีนี้ทุจรณะตีสอบเรื่องของกิเลสปัญหาเรื่องของของความยึดถือกายต่างๆทุจรณะยดยี่ยมดูให้รู้ให้พอใจ ตามความเป็นจียงของมันจิตนั้นก็จะมีความสงบ จ, จ, จ, จ, จิตนั้นก็จะมีความปล่อยวางจิตนั้นก็จะมีความเบาความสบายการที่จะละจิต ด, ด้วยการหาอาหาใหจิตให้ชีวเป็นของสําคัญเหนือนกว่กับเรื่องของใจเพราะจิตอย่างเดียวเท่านั้นแหละทางเหงาเรามองข้าม เราไม่กะเพื่อปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนข อ, ของพระพุทธเจ้าฝ่ายเอาไว้ใยจิตไปเสดิจทนมัวเมาในเหรื่อนของโลกจิตจะมีความเศร้าหมองจิตจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆเมื่อจิตเศร้าหมองเดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์ไม่มีความสุขความสบาย เป็นท้องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องท้องตาหยิตเสียอว่างเดียวสมบัติพประทานบ้านช่องจะมีมากมากตายกองขนาดไหนคนรักษาไมได้คนจะมีรูปร่างกายตามสมมติว่าสวยงามขนาดไหนถ้าหากห ย, ย, ห ย, ยิตเสียหยิตยึติเกิดบ้าเกิบอกขึ้นละคนนั้นจะหมดคุณค่า ถึงร่างตายโลกเขาจะสมมุติว่าสวยงามขนาดไหน่อยมัติคุณค่าหาสารประโยชน์ได้สมบัติภายนอกก็เหมือนกันทางหาจิตเสียแล้วจิตไม่ดีแล้วสมบัติส่วนนั้นก็ไม่มีความหมายฉะนั้นเรื่องการฝึกอบรมจิตจิงเป็นของสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราท่านจะควรฝึกควรอบรมจ คอฝึอบรมดีแล้วนำคาวามสุขมาให้สมตามในคาติตที่ว่าจิตตังพันตังสุขขาว่างห่าการฝึกการอบรมจิตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแต่ ใ, ใ่คนอื่นจะมาฝึกให้การฝึกจิตกระนำฝึกจิตปลอดการยินดีพิจารณาธรรมพิจารณาตัวของเราเรานี่แหละ เป็นรูปปัจฉมส่วนที่เห็นดวตานามัธยมก็คือผู้รู้อยู่ภายใน <c oughs> ทางหากเราไปมองที่อืน่นหาที่อืน่นก็จะไม่เห็นธรรมธรมมันอยู่ในสถานที่นี้ผู้ที่ดูคือรู้ที่เข้าใจในส่วนของตายของจิตจริงจังผู้นั้น มีวันมีเวลาที่จะละที่เหลือกัญหาให้สิ้นสุดเป็นมิมุบิได้ทหารเมาลุ่มหลงตามตำหรับตำลาเหตเพลินไปตามลมปากของคนอื่นไม่ได้พิจนะารณาอ ว, วัยวะของตัวเองมันก็ไม่มีเวลาที่จะละถอนได้การถอนการละ ต่างจากการเก็บการจำจากสำหรับกำลังการเห็นการรู้จากาาาาาจากาปรปฏิบัติมีคุณค่าราชามหาสุจริต น, นั้นพวกเราท่านคือมุ่งหน้ามุ่งตา ม, มาประทปฏิบัติจงฝึกขับอบรมตัวท่องตัวเอาสติกำหนดทิดนิธพิจารณาเอาปัญญาแยะแยะแยะดูอะไร ที่เราร่วมหลงว่าสัตวาบุคคลว่าสวยว่า ง, ง า, ะะ า, ามที่นิยมเจรณาติดตามจีนจังในตัวของพวกเรานี้มันจะกระปรอภอคยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมูดพูดที่เขาเปลียดกันในที่ต่างๆไม่ชอบในยินดีมันออกไปจากที่ไหนในใส่ไหลออกจากเนื้อจากตัวของสัตว์ของบุคคลนี่่ คามจริงมนุษย์เป็นของสกปรกยิ่งกว่าสัตว์อืน่นเสียด้วยเพราะสัตว์อืน่นเนื้อหนังของเขายังมีผู้นิยมชมชอบขายได้กินได้แต่เนื้อหนังของมนุษย์ตายไปมีคุณค่าราคาอย่างไรไม่มีใครนิยมที่ไม่ได้ขายไม่ออกเป็นของสกปรกอันเห็นการขดขันอยู่ท้ายนอกรสชาต หร้อดื่มดืมเมื่อเข้ามาสู่ปากของเรา ข, บ, ขบเขี่ยเข้าไปแล้วเราถืก ล, ลืนได้เพาะเพราะอาศัยที่ไม่เห็นถ้าหากเราพายออกมาดูจะเป็นอย่างไรอาหารที่เราขบขั น, ก, น, นกันทุกวันนี้อยู่กินกันทุกวันนี้มันเป็นของสกปรกสกรก อ, รอย่างยิ่งนี่ตาไม่เห็นก็เลยกลืนลงไปได้ กอ่านตาเห็นมันจะเป็นอย่างไรนี่แหล่างกายของเราอยู่ด้วยของเน่าของเหม็นของสถกโป๊กเราเอรอดอร่อยก่เพราะเหตุเร า, าเป่ที่จะได้เแบบตายจริงจังอาหารจะมีเด่นขนาดไหนถ้าหากไมมาคุกเข้ากับเรื่องน้ำลายของเราไมจตกรนไม่ได้จะต้องถูกน้ำลายนรืมูลคันต่างๆเยอะก่อน เพีงจะเคยตกลงไปถึงลําคอหรืทอทว้างของเราเนื้อตัวของเราจรึงเป็นของสกระปรกทุกหย่างพออาหารเป็นของสกรปรกแต่เราไปชอบพอยินดีว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เราไม่ได้ทจรารณามูลเหตุของมันว่ามันเป็นอย่างไรเลือดที่ มันมีอยู่ในเนื้อในตัวของเรามันสวยไหมคนมันมีเลือดเป็นอย่างไรเรายังไปจุดเลือดไปชอบเลือดแต่มันสวยอย่างานอย่างนั้นหรือตาเดกย่อยไปผ้าไปที่นอนของเราเราสามารถจะนุ่งได้นอนได้ไหมมันจะบกระโปรงนา ม, มูกนามลายเหมือนกันมันมีอะไรที่จะไว้สดงดงามภายในสายของมนุษย์ ที่จะรายงานะดูให้รู้ให้ส่ใจเพื่อจะไม่ให้ใจหลงกำหนับไม่ให้ใจหลงยินดีไมใหใจติดข้องถ้าหากเราติดข้องอะไรยึดถืออะไรส่วนนั้นแหละเป็นภัยสำหรับตัวของเราเพื่อจะทำจิตทำใจของเราให้เดียดร้อนถ้าหากเราปล่อยได้วางได้ไม่ยึดถือส่วนใดส่วนนั้นไม่มีภัยมีอันตราย มันยมันกะบามันเบาคิดดูทุกอย่างก็พอรู้พอเข้าใจจอมบตดมีอยู่ทั่วโลกเป็นจอมบัาดของโลกแต่เมื่ออยู่ในที่อื่นยังไม่ตกเข้ามาเป็นกรสิทของเราเราไม่ถึงว่าเป็นของของเราเขาจะเอาไปที่ไหนเราไม่มีการเสียอกเสียใจแต่มาตกเป็นของตัวเราเราถือเป็นกรสิทธของเราแล้วจอมบาดส่วนนั้น เข้ามาขโมยไปเสียใจร้องไห้เกียดใจอาฆาตกับบุคคลที่เข้ามาล่วงเกินโขโมยาถ้หารู้จักเป็นอย่างนั้นมีื่องธาตุขันเสมือนกันในใจว่าสมบัติส่วนอืน่นถ้าเรายึดอะไรคืออะไรว่าเป็นของท้องเราใจท้องเราจะเศร้าหมองใจท้องเราจะเดือดร้อนเมื่อส่วนนั้นมันเปลีป่ยน แ, แปลงแปรปรวนไป ยึดถูกอะไรเข้าถึงเราแบบขาดถนาดจิตใจของเราเดือดร้อนก่อความขัดแยึดถือถ้าปลอยได้วางได้เท่าไรใจจะมีความเป็นความสบายไปเท่านั้นในคิดทีนี้จะเรียนในนาทีท่วนวากให้มันไปยึดไปถือถ้าหากเป็นของเราเราบอกไม่ให้แกไม่เท่ามันก็คงบอกได้สอนได้มิบอกได้ได้ไม่ให้แจงให้ตายให้เจ็บให้ปวด มันโกรธปวดปวดจะตามเรื่องของมันมันเป็นขันอันหนึ่งเป็นเรื่องอันหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องศึกษาไ่รู้ให้เข้าใจให้จบเรื่องของที่เลตปัญหาที่มันเกาะติดอยู่ในจิต ใ, ในใจของเราพ้าหายันจบที่จะน่าจบและได้ถอนได้วางได้ การที่เจรานาะยังไม่จบนรเรียยังไม่ถึงความหลงก็จะจะมีเกาะจิตเกาะใจอยู่เีรื่อยไปการที่เจรนาใจที่เจรนาใจเยียงเป็นเลี่องการปฏิบัติปฏิบัติสําหรับละถอนความยึดถือในใจปฏิบัติหามาเพิ่มเติมให้จิตหนักหน่วงปฏิบัตรริรู้เท่าไรวางปล่อยเท่าไรใจยิ่งเบายิ่งสบายจนวาง สมมติได้วางโลกได้เหนือใดใจก็จะมีความหลุดลอยออกไปจากโลกความหลุดลอยหรือความพ้นจากโลกเป็นอย่างไรผู้จิตอยวางได้จะรู้จัก ท, ท, ทั้งๆที่มีอวัยวะเหนือตาอยู่เหมือนคนอื่นแต่จิตใจของท่านเป็นอย่างไรทา่านจารับจากาจากาปรปฏิบัติของท่าน แต่นั้นพวกเราคือยึดติดข้องในเนื่อในตัวก่าพื้นพากันที่นิจจาราเนยเพราะสถานเจตสังในอยู่ที่อืน่นมีอยู่ในตัวของเราวิเลศคือความเจ้าหมองมันมีอยู่ในสถานที่ใดเรารีบ ก, กำจัดออกไปจากสถานที่นั้นเพราะ สิ่งอื่นไม่เป็นดิเลสแข้งขาอะไรย่าหูตาไม่ใช่กิเลสนะถ้าอาที่แยนะมาแล้วตัวโจรจรจังตกเคือจิตถ้าาจิดหมดเรื่องเรื่องแข้งขาอะไรย่าหูตายังมีอยู่หมดเรื่องไปเด็กๆไต า, ตามกันไม่มีอะไรจะเกิดี่เลนกันเถอะยตัวอย่างพระพุทเจ้าของเราท่านําเ็จ เป็นพาาาระอาหารหัตอรหัมไม่มีกิเลสส่วนใดจะไปติดข้องในพระไทยของพระองค์ถ้าองค์งยังทรงซีเรสอยู่ไปแต่ถามที่ไหนก็ไม่มีกิเหลสปัญหารบกวนท่านทั้งทสี่แผ่นมืออรยะวะเหมือนพวกเรามีไม้เคงใจสีบ ร, ริสุทธิ์ที่หมดที่เหลอสส่วนอื่นก็ไม่เป็นกิเลอสขึ้น จุดจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่พวกเราทุกท่านจะที่จะละชำระมันเพราะจุดมันไปหลงทำหลงก็ไม่ยากคิกอยากจะให้กําหนัดยินดีกว่าได้คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้จ่ามีอย่างนั้นสวยอย่างนี้งามอย่างนั้นนั่นก็เกิดกําหนัดยินดีขึ้นได้คิดให้มันละความกําหนัดยินดีกว่าคิด หาความจริงของมันอะไรมันสวยอะไรมันงามที่จะรายงานติดตามเข้าไปจริงจริงจังๆถาดอันนี้มันไม่มีความหมายอะไรไม่ว่าถาดดินถาดลมถาดไฟมันไม่มีความหมายหากจิตใจหนื่อหลงจิตใจรู้มัไม่มีความหมายความกำนัดยินดีของจิตใจทือทำใจให้รู้ใจดจิตไป ชอบอย่างนั้นยินดีอย่างนี้เป็นเรื่องทั้งจิตพอจุดออกจากร่างไปเท่านั้นจะเอาไปแทนกันไว้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเท่ากันหนัดยินดีในกันและกันมีแต่หน้าที่จะเหนื่อหนักไปอย่างไรก็เป็นใจตามธรรมชาติของหมัไม่มีใครจะได้เพื่อเชิญมัวเมาเฝ่าลันจะเป็นคนกระเพื่อไหนสวยงามอย่างไร เท่าจนนักเรียนตามมาอย่างไรไม่เช่นไปทางอิบต์เลยนี่นี่ก็พอรู้พอเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องของจิตจิตทำไมถึงไปหลงไปเชื่ออย่างนั้นก็เพราะจิตสำคัญเหมือนไหนมาีมีครรมชำละสาสางคิดไปปรุงไปเดี๋ยวอำนาจของที่เหลือปัญหาผัดดันแต่มันก็ อาจดันได้แต่สำหรับคนที่ใน ม, มีอัดทำคนที่นี้อัดทำแล้วที่งมีปัญหามันกลัวมันที่นี้พิ่เจรณาใส้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าไปหลงมันทำหลงไม่ใช่ทางดีเวลานี้ก็เป็นเวลาที่พวกเรามาต่อเพืปฏิบัติกันตั้งหน้ากำหนดที่นิ้ที่เจราให้จิ มันเห็นมันยอมจำนนต่ามันเป็นอย่างนั้นจริงจังจิตเป็นคนหลงจิตนั่นแหละจะเป็นคนรู้จิตเหดียดร้อนจิตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เยียดเย็นสิตทางถูกศึ ก, กอบรมถูกตามเรื่องของธรามแล้วธรรมเคยตำระบเคยตรัสสาที่เหลือปัญหาของมนุษย์มา นับจำนวนไม่ถ้วนในใช่แต่สมัยปัจจุบันสมัยพุทธศาสานาได้กำหนดมาแล้วผู้ที่ต่้งหน่าตงตเพื่ปอปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านจะเห็นคุณค่าของธรรมว่าเป็นสิ่งที่ปราดรามที่เหลือปัญหาปราบตามอริชาอุปาทานเราทุกท่านที่มองมันหน้าประพปฏิบัติเรา่าลืมอาวุธ อาวุธก็ไม่ใช่อิ่มใจมีแต่สติมีปัญญาสติทำระลึกรู้ใหรู้ในเวลาที่คิดที่ปรุงต่างๆปัญญาเนี้ยสอนว่ามันถูกผิดอย่างไรคิดไปจะเป็นโทษเป็นไทยคิดข้องหรือเป็นเรื่องละเรื่องถอนใช้พิจะะารณาเยอก่อนแล้วถึงค่อยคิด คอยถามคอยพูดไปเมื่อผูท้ที่นี้จะจูตัญญาที่เจรนาอยู่อย่างนี้วิเหลืตปัญหาที่เคยมีอยู่ในจิตในใจนับบันนับเวลาที่จะตกออกไปวิเลตใหม่ที่จะเข้ามาเชี่บแฝงกับจิตใจนับบันเวลาที่จะหายไปหรือเาาท่าไม่ถึงแนั้นศตรูไทยเราจะหามาเหยเรานอกจากเราจะกําหนดเอาเอง พะมันมีอยู่ในนี้ความระลึลกได้กอดีปัญญาก็ไมนใส่คนอื่นจะหามาให้ก็วพวกเราเองจะพากันขากเพียนพยายามคิดถา่าแต่ทุกอย่างทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีข้อ ม, มูลที่พวกเราจะเก็บมาปฏิบัติสำหรับ เป็นเครื่องกําจัดปัดเส่าหยุดใจที่เต่าหมองให้องใสจิตใจที่วุ่นวายให้เยือกเยน็นจิตใจนี้อยู่ในที่อื่นนี่อยู่ในตัวของพวกเราท่านเท่งนั้นส่วนที่อื่นเป็นตําราของธรรมตัวธรรมแท้นี่อยู่ในกายในจิตของเราให้ศึกษาอยู่ในนี้พิจารณาอยู่ในนี้มันจะไม่เห็นไม่เป็นได้หรือ ข้าคือเจรจากันด้วยดีพระพุทเจ้าเนี่ยโกหกพกรลมใครเนี่ยคูรูบาพุทธจตุบาทท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้สอนอย่างสุ่มเดาท่านเคยทําได้ผลมาแล้วแต่เราข้างหากทำซึมอย่างท่านมันจะไม่เห็นไม่รู้มันจะมีมาจากที่ไหนก็เพอาะเดินไปทางสายเดียวกันจะเห็นจุดหมายปลายทางอย่างคนผิดไปก่อน มันจะเป็นไปได้ไหรือพาเรีนตามสายนั้นมันต้องเป็นไปตองรู้ต้องเข้าใจต้องปล่อยต้องวางนี่เราความขาดความเพียรมันไม่เพียงพอความอดความทนล้วนแต่อาจแต่ทำทางนั้นเมือเวลาคุยกันเวลาทำจิตอื่นทั้งวันทั้งคืนก็พอทำได้เพราะใจมันชอบพอจะพระ ภาวนาคอยจะแต่งหน้าต่างตางทำความเปลี่ยนเยอะเกิดเหนือยเหนื่อยเมือลยล้เยอะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือมันสำหรับถับดั น, นจิตใจไม่อยากจะให้ไปสู่อาจสู่ทาสู่ความดีนม่สรเราต้องปยันตัวของเราคือมันวกจิตทางอย่างนั้นแต่ถือว่าเป็นมันมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล้า ทำมาที่สอนไว้บ่ะอดบ่าทนขันติมีนเยอะถ้าหาไว้ยมีส่วนเหล่านี้ท่านจะมาสอนทําไมมันจะดวกสบายอยู่ทุกอย่างจะมีการผาาเพี้ยนทําไมจะมีการอดทนทําไมมันต้องเปลี่นต้องไปทุกผ่าทุกขันความยึดมันม่นผีวมั่นการมันจะหลุดออกได้ก็ต้องอาศัยการผาาเพียนภาวนาการอดการทน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 ได้ออกไปหายออกไปความยึดมั่นไม่มีทุกข์มันจะมีมาจากไหนทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดมันม่นความผิดมั่นหยุดไม่็นทุกข์ถ้าหากซอยได้วางได้พิจารณาถูกจึงควรอบรมฝึกฝนจิตใจฟองตอนไม่ควรจะมองข้ามเพราะจิตใจเป็นของที่มีคุณค่าราคา ยืเดินจะเกิสุขยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกหากผูกปิดอบรมจิตใจรู้เห็นเจนขึ้นจะเห็นคุณค่าไปตามลำดับเทียงจะจิตสงบสงัดแต่รับความสุขความสบายในวุ่นวายก่อควรตัวเองแต่ก่อนใช้ปุ่งปรุงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจะ ฝึกปฏิบัติอาจทำรู้สึกขัดข้องเยอะอ่านการอ่างเวลาเยอะว่าอย่างนั้นเยอะว่าอย่างนี้แต่พอเขียนอาจเขียนทำจากการปฏิบัติเคได้รับรสชาติความสงบสงัดความปล่อยวางข้องใจเมื่อทําไปเรื่อยๆก็เกิดความส ะ, ส ะ, สะดวก ส, วางงาาสบายขึ้นเป็นของแน่ ไม่มีอะไรมาถัดขวางอย่างจะก่อนเด้มากหากผู้เห็นผู้เป็นในจิตในใจทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวล า, ามีความพอใจไถ่คิตขับไล่สายสงเรื่องที่เดียดตั้หาทุกอียาบทจะเดินจะนั่งจะกินจะดืม่มความคิดที่จะกำจัด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 จิตเป็นมหาสิทุกอิริยาบถไปในสถานที่ใดพูดอยู่ทําอยู่รู้อยู่สังขารปรุงขึ้นแทบแทบแทบเมื่อใดเข้าใจทันเมื่อนั้นจะติดลิดจะส่อยมันก็ดับไปเรี่ยยตามเรื่องของมันอันใดที่เราข่องใจจะเป็นสาระประโยชน์เราก็จับเอาไว้พิจารุงต่อไป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 ถึหยุดขีดแล้วคลองถีดแล้วขีดมันยังมีอยู่แต่ท่านผู้ขีดเป็นมหาสติษฐมหาปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับลราีดน้ําพอขีดไปถึงที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้นไม่เห็นหลองรอยอะไรมีความคิดความปรุงท้องใจที่ทันมี้ปัติมีความจริงจังพออย่างนั้นคิดได้ปรุงได้แต่ไม่ติด ไม่มีร่องรอยอะไรเหมือนนกบินบนอากา ศ, าศาตามไม่ได้จิตที่คึกได้อย่างนั้นละได้อย่างนั้นถอนได้อย่างนั้นเป็นจิตที่สบ้ายเป็นจิตที่เยืยกเย็นเป็นจิตที่หน้าอัศจรรย์พวกเราท่านทุกคนจิตประเทศนั้นมันมีอยู่ขอให้พากันต่างหน้าต่างๆาพอพื้นปฏิบัติจะรู้ใจเห็นจะเจรนขึ้น จากสิทที่ยังเมือดโมนโนทาตานอยนในใอู่นี่ในส่วนตวอื่นนั่นจะเห็นจะรู้จึงจะเชื่อเลื่อมใสและยินดีเต็มใจในอาจในธรรมชีวิตที่เกิดมาก็าไม่เป็นโมคะเป็นของที่มีสาระประโยชน์จึงใดที่เราควรต่อเพื่อปฏิบัติเราได้ต่อเพื่อปฏิบัติจนเห็นจ น, จ น, จนรู้จนหมด เกิดขึ้นความสงสัยภายในใจแล้วเราก็ไปมีการห่วงการหวงชีวิตต่อไปเพราะอยู่ไปอีกหมืนจีแสนปีความดีจะเกิดขึ้นอีกมีไหมมันบอกแล้วรู้แล้วว่าความทื่สุดของจิดคื่สุดของธรรมที่สุดของการประพฤติปฏิบัติมีเพียงแค่นี้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 ก็เพราะยังไม่รู้ไม่เห็นที่สุดจุดหมายปลายทางของอัดของทำถ้าถึงที่สุดยิโมดแล้วความห่วงความหวงตายหรืออยู่คุณข่าเข่ากัดไม่มีอะไรเสียหายจะ แ, แนะนำผ่ำสอนคนอื่นเขาเหลื่อมใส่ก็เป็นเรือ่องจิตใจของเขาเขาเศร้าหมองก็เป็นเรื่องของเขาเราเป็นอย่างไรเราทราบในตัวของเราอยู่เนี่ยมันจะไปเสียกับใครจะไปได้กับอะไรอีกมันไม่มีมันหายสงสัย ทุกการทุกสมัยทุกวันทุกเวลาท่านจึงไม่มีการห่วงการหวงอยากจะอยู่ต่อไปก็ไม่ว่าอยากจะตายไปก็ไม่ใช่แล้วแต่งแต่เรื่องของกรรมมันจะมาถึงเมื่อไรถ้านไม่จิดคล่องในเรื่องของธาตุของขันขอให้ช่วยให้อบรมให้เป็นอย่างนั้นจะรู้เห็นเด่นชัดในตัวเองคาพูดของ พระพุทธเจ้าฤทูอาจารย์ที่านพูดไปกินแค่อย่างไรเราจะทราบได้จากความบริสุทธิ์ของใจเราเองไม่ต้องไปจุมเดาววัท่นเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ให้ฝึกให้อุโมไปเองทำไปเองทำเห็นความเป็นจะเด่นขึ้นเหมือนกันกับเรารับทานอาหารเอาทานไปเถอะ มันยินจะรู้จักการปฏิบัติยังไม่ถึงื่อสุดมิมุทมิพานเมือ่อใดข็ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อเพื่อปฏิบัติเพื่อให้ถึงให้รู้ให้เห็นให้เด็นไปจักชัดเจนในจิตในใจของตนซึ่งเรียกว่าปัจจัตตังเม่อย่างนั้นก็มีการสงสยัยลังเลอยู่เสมอไป จะพิสูจนปฏิบัติที่กาจัดเรื่องความเสียข้านง่ายต่างๆาาให้ตกออกไปใจเราสำลักได้ไม่ใช่จะเหลือวิสัยหยิ่งมีอยู่ที่ใดก็ลงเรื่องของกายเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แผนพิณให้ทิศ น, น, นาเรื่องของกายเมืม่อหมดเรื่องของกายไปแล้วเรื่องของใจมันเป็นอย่างไรมันควจะตาม คิดเจรนาไปเหมือนกับไฟที่มันหมดเชื่อจากส่วนนี้แล้วมันก็ไปมิเชื่ออยู่ที่ไหนมันก็ไหม้ไปเท่านั้นเรื่องของกา ย, ยเป็นเรื่องของสําคัญ ท, ทุกท่านจะควร ท, ที่จะคิดเจรนาให้แยบถายเมวมันเพียงพอบริบูรณหมดเรื่องของมันไม่ต้องบอกเร่องมันจะปล่อยจะวางมันจะต้องไหลเข้าจุดไหนอะไร ไปเหลืออยู่มันก็จะต้องค้นคิดที่จะแงนาจนหมดเรื่องจริงๆมันจะรู้มันหมดอย่างไรเมื่อหมดแล้วมันก็จะต้องขอยใจไม่ต้องไปหาเพราะหามันหลงมันยังไม่รู้ยังไม่เห็นมันจึงหาแต่ที่แนาแต่ปวดถึงเรื่องเหล่านี้ ในนี้ผู้อื่นจะมาทําให้การนี่การสอนเป็นหน้าที่ของท่านแต่แย่แต่สอนแต่ท่านสอนก็เป็นคําพูดของท่านเป็นเรื่องของท่านตัวเราเองสอนเราเองดัดเราเองฝึกซ้อมเราเองจะรู้เองเห็เองเป็นเองขึ้นขอสำคัญขอให้บารุงจัดพาคือความเชื่อสิยาคือความเพียร แต่ติคือความระลึกปัญญาคือความที่นิสแยนาะในมาเข้าทำเหล่านี้เป็นอาวุธสำหรับปราบตามเกลียีชยงปัญหาท่านเคยช้าได้ประโยชน์มาได้ผลมาเราทุกท่านเมื่อได้สะดับรับฟังทำ เกี่ยวกับีบายมาจงนำไปที่นิพพรนาเมือเ่อเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบองจงนำไปประกอบอเพื่อปฏิบัติตามต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญขอฤทธิธรรมะเรื่องจากนี้